ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สามสบห้าอนนี้ก็บอกไว้แล้วนี่ว่าคำนี้จะพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาอันนี้โยงไปหาเรื่องที่แล้วหน่อยตอนก่อนก็พูดเรื่องสติกับสมาธิ สตินั้นบอกแล้วว่าเป็นตัวเริ่มต้นให้แก่สมาธิจะฝึกสมาธิก็ต้องอาศัยสติมานําให้ทีนี้มาถึงปัญญาก็จะคล้ายๆกันแหละปัญญาจะทํางานได้สติก็ต้องจับเรื่องให้หรือว่าส่งงานให้สตินี่เป็นตัวส่งงานให้ปัญญาอย่างน้อยมันก็จับเรื่องนั้นไว้ให้ปัญญาดู ครั้งก่อนนี่ก็ได้เปรียบเทียบว่าเราเอาสติเนี่ยจับสิ่งของไว้เนี่ยสิ่งที่ผ่านเข้ามาแล้วจะเลยไปเราต้องการจะดูเราก็ดึงไว้นไม่ยอมให้ผ่านไปซะอันนี้พอมันอยู่ต่อหน้าแล้วทีนี้เราต้องการจะดูก็ดูได้อันนี้การดู คืออาการของตาเนี่ยเปรียบเหมือนกับปัญญาดังนั้นที่บอกว่าเราดึงเราจับสิ่งนั้นไว้สำหรับให้ตาดูเนี่ยตาในที่นี้ก็คือตาปัญญา น, นั่นเองเพราะฉะนั้นสติก็มีความสำคัญซึ่งไปสัมพันธ์กับปัญญาเพราะเป็นตัวจับสิ่งที่ต้องการจะดูให้ปัญญาได้พิจรารณานี่ถ้าสิ่งนั้นมา มาถึงแล้วเนเราไม่สามารถเอาสติจับมันไว้ดึงมันไว้รังมันไว้ไดก็ผ่านไปแล้วปัญญาต้องการจะดูให้เห็นชัดว่ามันเป็นอะไรมันก็เลยไม่ได้ดูเพราะนั้นปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่า ย, ยคิดว่าในแง่นี้แล้วความเข้าใจก็จะได้จากการอุปมาที่ว่านีย ทีนี้ก็อุปมาอ ย, ย่างอื่นอีกเพื่อจะหเห็นชัดยิ่งขึ้นนะท่านเปรียบเทียบสติไว้เหมือนกับนายประตูนายประตูที่เฝ้าระวังคนเข้าคนออกเขาก็จะตรวจว่าเออคนนี้ให้เข้าได้ไหมคนนี้ให้เข้าได้หรือเปล่านะีคนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมไม่ควรให้เข้านี สติมันก็ต้องมีข้อมูลนะที่เก็บไว้ก่อนมาระลึกขึ้นมาเอาข้อมูลเก่ามาระลึกเช่นว่าเรารู้ว่าอ๋อนะคนชนิดไหนที่จะเข้าได้คนชนิดไหนเข้ามาได้นะนีหรือแม้แต่รู้จักคนที่ผ่านไปผ่านมานะอันนี้สติเนี่ยมันเป็นตัวที่ว่า ทันต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นไปอันนี้เวลาคนผ่านเข้ามาก็เหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าอารมณ์มันผ่านเข้ามาสติมันก็จับดูจับปั๊บเนี่ยมันก็เอาไอ้ข้อมูลเก่ามาตรวจสอบว่าคนนี้มีลักษณะผิดหรือเปล่าที่ว่าจะให้เข้าไม่ได้ถ้าหากว่ามีลักษณะ ที่ผิดเนี่ยเข้ากับไอ้ที่จดจําไว้มันก็อ้าวอันนี้ปล่อยไม่ได้ผ่านไม่ได้ไม่ให้เข้าเนี่ยนิหากว่าไม่มีลักษณะที่ต้องห้ามก็ปล่อยผ่านไปนิสตินี้ก็เป็นตัวที่มาคอยกําหนดท่านจึงใช้ความหมายอย่างหนึ่งว่ากําหนดกําหนดสิ่งที่ผ่านมาผ่านไป เปรียบเหมือนนายประตูที่มาจับตาดูหรือตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าคนไหนจะให้เข้าได้คนไหนจะเข้าไม่ได้คนไหนผิดสังเกตแล้วจะได้หยุดจะได้ยั้งไวนะนี่ก็เป็นงานอย่างหนึ่งของสติแต่มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่ามันไปกําหนดที่สิ่งที่ผ่านไปผ่านมานะั้นเนี่ย เพระนั้นอาการที่กําหนดนี้บางทีใช้คําว่าดึงนี้อาจจะในกรณีนี้อาจจะไม่ตรงนักแหละนะนั้นคล้ายๆว่าความหมายก็เป็นอีกแง่หนึ่งของสติที่ว่าเป็นการกําหนดกําหนดจับตรวจสอบทันแต่ก็เป็นอาการที่ว่ามันก็ไปจับที่อารมณ์นั่นอีกนั่นแหละนะแล้วสับอีกสับนี่จะใช้ในการอธิบายหน้าที่ของสติก็คือคําว่าจับ จับอารมณ์หรือจับสิ่งที่ผ่านไปผ่านมานั้นเพื่อจะให้ปัญญาตรวจสอบทีนี้ตอนนี้มันก็จะมีความสัมพันธ์กับปัญญาในกรณีที่ทำหน้าที่อย่างนายประตูเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นกรณีที่ไม่มีอะไรพิเศษสติมันก็ใช้ข้อมูลเก่ามันระลึกขึ้นมา มันก็ตรวจสอบข้อมูลนะเหมือนกับในประตูตรวจดูคนที่ผ่านไปผ่านมาได้เลยแต่นี่ในกรณีที่มันเกิดมีเรื่องาราวซับซ้อนเอ๊ไม่แน่ใจตอนนี้แหละปัญญาจะต้องมาทำหน้าที่แหละนะการที่ว่ามาใช้ความคิดพิจารณาสืบหาเหตุผลเพิ่มเติมไนะตรตรองอะไรต่างๆตอนนี้ จะเป็นหน้าที่ของปัญญาฉะนั้นตอนนี้บางครั้งเราก็จะเกิดความสับสนเรื่องความหมายและการทำหน้าที่ของสตินิดหน่อยบางครั้งเราพูดเหมือนกับว่าสติเนี่ยทหน้าที่รู้ด้วยแต่ความจริงสตินั้นไม่ใช่ตัวรู้แต่ทำไมเราบึงบอกว่ารู้ก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพราะว่าสตินั้น มันระลึกข้อมูลเก่ามาได้ด้วยทีนี้ในข้อมูลเก่านั้นข้อมูลบางอย่างมันเป็นผลงานที่ปัญญาได้ทําไว้ก่อนแล้วปัญญามันคิดพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งชั้งก่อนเช่นมาเจอปัญหาอย่างหนึ่งมันพิจารณาจกนกระทั่งว่าได้ข้อสรุปเกิดความชัดแจ้งเข้าใจเรื่องนั้นดีแล้วก็บันทึกเก็บไว้เป็นความทรงจํา เป็นอดีตร่วงไปแล้วพอต่อมาเกิดไปเจอปัญหาอย่างเก่านะปัญหาแบบเดิมสติมันก็ไประลึกเอาไอ้ข้อสรุปเก่าซึ่งเป็นผลงานที่ปัญญาทำไว้เรียบร้อยแล้วก็เกิดไปข้อมูลเชิงความรู้ข้อมูลนี้เอามาใช้ได้ทันทีเลยนะ เพราะนสติก็ระลึกเอาความรู้เก่ามาใช้นั่นเองในกรณีนี้สตินั้นเหมือนก็มีคําว่ารู้อยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องระวังคือว่าต้องแยกกับปัญญาให้ชัดปัญญามันจะทําหน้าที่ในปัจจุบันนี้เลยนั้นแยกระหว่างผลงานของปัญญาเก่าที่ทำเมื่อเสร็จแล้วซึ่งสติเพียงระลึกขึ้นมาใช้ในกรณีนั้น มันไม่มีอะไรเพิ่มในทางปัญญาใช้ของเก่ามาจัดการแต่ว่าถ้า ม, มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมจากนั้นเช่นว่าเนี่ยจะต้องประยุก ค, ความรู้เก่ามาใช้กับเรื่องใหม่อย่างนี้ปัญญาต้องเข้ามานะฮะนั่นแปลว่าสตินั้นเป็นเพียงการดึงข้อมูลเนะี่ยหรือเป็นการกำหนดอารมณ์จับอารมณ์นั้นไว้ ถ้าหากว่าความรู้เก่าที่ปัญญาเคยทำงานมาแล้วใช้ได้ก็เพียงพอถ้าหากว่าความรู้เก่าไม่เพียงพอก็ต้องอาศัยปัญญาทำงานอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะแต่รวมความก็คือว่าปัญญาจะทำงานได้ต้องอาศัยสติทุกกรณีไปเพราะว่า ปัญญาเหมือนตาถ้าสิ่งนั้นไม่อยู่ต่อหน้าก็มองดูไม่ได้นีอันนี้ปัญญาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามก็ให้สิ่งนั้นอยู่ต่อหน้าจิตของเราเนีก็จึงต้องใช้สติเนี่ยดึงสิ่งนั้นมาไว้กับจิตหรือว่าดึงไว้ไม่ยอมให้ผ่านไปเฉยเฉยเนียดึงไว้ก็ตามดึงมาก็ตามก็เป็นเรื่องของสติที่ว่าเนี่ย และอีกประการหนึ่งก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าสติเนี่ยบางทีเราทิ้งคำว่าปัญญาไว้ในฐานข้าใจในภาษาไทยก็จะได้ยินบ่อยๆเราจะใช้คำว่าสตินี้คู่กับปัญญาเป็นสติปัญญาสติปัญญาจนกระทั่งคนไทยก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสติอะไรเป็นปัญญานะพูดรวมกันไปว่าสติปัญญา หรือถ้าม่ใช้คําว่าสติปัญญาก็จะคู่กันกับสัมปชัญญะเป็นสติสัมปชัญญะเนี่ยนี่เราจะได้ยิดบ่อยนี่ทำอยังกับคนไม่มีสติสัมปชัญญะแนะนี่สติสัมปชัญญะมาด้วกันเราต้องพัฒนาให้มีสติปัญญาเพิ่มขึ้นนี่สติปัญญาก็มาคู่กันทำอะไรใช้สติปัญญาบ้างสิว่ากันเนี่ยสติกับปัญญาก็มาคู่กันทีนี้ จะพูดว่าสติสัพพัญญาหรือสติปัญญาก็ตามความจริงมันก็มีความหมายเกือบเท่ากันเพราะว่าสัพพัญญานั้นเป็นชื่อหนึ่งของปัญญานีแต่เป็นปัญญาที่ทําหน้าที่ค่อนข้างจํากัดเป็นปัญญาชนิดที่ทําหน้าที่กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะถ้เรียกว่าอารมณ์เฉพาะหน้านีที่จะรู้เข้าใจชัด แล้วก็ทํากิจได้สําเร็จไปเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการพิจารณาสืบสาวหาเหตุผลใครควรวางแผนอะไรต่างๆอย่างนั้นก็เราไม่เรียกสัมปชัญญะเราก็ใช้คําใหญ่คือคําว่าปัญญาหมายความว่าคําว่าปัญญานี่เป็นคําที่ใช้ครอบคลุมหมดความรู้ความเข้าใจต่างๆที่ใช้คํากว้างขวางที่สุดก็คือคําว่าปัญญาเนี่ยนี่ปัญญานี่จะมีชื่อต่างๆมากมายเหลือเกิน ในบรรดาชื่อที่มากมายเหล่านั้นชื่อหนึ่งคือคำว่าสัมปชัญญะนะอายกตัวอย่างชื่ออื่นของปัญญาก็เช่นคำว่าวิปัสสนาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาปฏิสัมพิทาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาโกสลก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาญนะาณก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเนะยอะแยะหมดคำว่าปัญญาเนะี่ยชื่อมากมายนะ่ทีนี้ว่า ชื่อหนึ่งคือสัมปชัญญะปัญญาในชื่อว่าสัมปชัญญะนี่เป็นปัญญาที่ต้องใช้บ่อยมากเพราะว่ามันใช้กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างเราขับรถขับรถนี่ก็ต้องมีทั้งสติและสัมปชัญญะสติก็หมายความว่าสติเป็นตัวที่จับเอาจิตไว้กับการกระทำที่เรากําลังทำอยู่ การกระทาที่กาลังทำอยู่ก็คือการขับรถและสิ่งที่เนื่องในการขับรถทั้งหมดจิตอยู่กับสิ่งนี้แล้วพอสติมีก็คือจิตอยู่กับการขับรถและสิ่งที่เกี่ยวข้องทีนี้พอจิตอยู่กับการขับรถเกิดความรู้ที่มีในขณะนั้นจะพลั่งพร้อมอยู่ในตัวพอจิตของเราอยู่กับการขับรถความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับรถ ที่เราได้สะสมมาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปนึกทบทวนมาทีละอย่างละอย่างใช่ไหมมันพรั่งพร้อมอยู่ในตัวทีเดียวทํางานได้เลยใช่ไหมล่วงกายขับรถเป็นยังไงภูมิเวลาทำแน้วที่อย่างไงนะเวลาเกิดเหตุจะให้ใช้แล้วจะแก้ไขปัญหาจะเบรกนี่จะทํำยังไงไอความรู้นี่พรั่งพร้อมอยู่ในตัวรู้จุดหมายที่จะไปด้วยอยู่ในตัวเสร็จบมดนะีความรู้อันเนี้ยที่พร้อมอยู่ในตัวรู้พร้อมเฉพาะหน้า นะบางทีก็พยายามหาศัพท์มาแปลก็ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยความรู้ที่มันพลั้งพร้อมอยู่เฉพาะหน้ากับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันพอมีสติอยู่ความรู้อันนี้อยู่ด้วยนะซึ่งทําให้ทํากิจนั้นได้สําเร็จความรู้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะเพราะนกการขับรถเนี่ยพอมีสติก็คือจิตของเราก็อยู่กับการขับรถ เมื่อจิตอยู่กับการขับรถความรู้ต่างๆที่เกี่ยวเรื่องการขับรถเนี่ยมันจะมีพร้อมในตัวที่ทําให้เราทํางานได้เลยไม่ต้องเป็นสามมาทีละข้อละข้อว่าเอ๊ะพวงมาลัยทำนาที่อะไรเราจะทําไงกระพงมาลัยเบรกมันทําหน้าที่อะไรชิ้นนี้มันอยู่ตรงนี้มันทําหน้าที่อะไรถ้าขืนไปศึกษาอยู่แต่ละอย่างอีกลําดับความรู้อย่างนี้คงทําอะไรไม่ได้นะถ้าความรู้เหล่านี้มันพรั่งพร้อมอยู่ในตัวเลยใช้งานได้ทันที เอาละนี่ก็สัมปชัญญะทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการจะรู้ลึกซึ้งกว่านั้นเออไอรถนี่มันยี่ห้อนี้นะที่เราขับอยู่เนี่ยแล้วมันผลิตมาจากประเทศไหนอาเทียบกับยี่ห้อไหนมันดีกว่าอย่งไงยี่ห้อไหนดีกับยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้ดีกับยี่ห้อไหนหรือว่ายี่ห้อนี้ดีกับยี่ห้อนั้นในแง่ไหนยี่ห้อนั้นดีกับยี่ห้อนี้ในแง่ไหน ถ้าเราต้องการจะสร้างโรงงานผลิตใหม่เราควรจะผลิตยี่ห้ออะไรดีหรือว่าเอาแบบไหนไปใช้อะไรต่างๆเนี่เนะไปตรองพิจารณาแล้วทําไมยี่ห้อนี้จึงดีจึงไม่ดีด้วยเหตุผลเหตุปัจจัยอะไรนี่แหละถ้าเอาอย่างนี้ล้วต้องเป็นเรื่องปัญญาแหละใช่ไหมสัมปชัญญะใช้ในความหมายแค่ความรู้ที่พร้อมเฉพาะหน้าใช้งานได้สําเร็จแต่จะสืบสาวให้ลึกซึ้งคิดกว้างไกลไปวางแผนและแต่ตอนนี้เป็นเรื่อง ที่ต้องใช้คำกว้างว่าปัญญาแต่ไม่ว่าจะเป็นในแง่ไหนก็ตามมันก็จะต้องมากับปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมสติมากับสัมปชัญญะอ่ามิฉะนั้นก็มาในวงกว้างเลยก็ปือมากับปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สติสัมปชัญญะในเรื่องของการทากิจเฉพาะหน้าเฉพาะกรณีแล้วก็ใช้สติปัญญาในเรื่องที่ กว้างไกลออกไปนี่ก็เป็นแง่มุมต่างๆที่พูดให้เข้าใจเกี่ยวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญานะฮะก็คิดว่าแค่นี้ก็น่าจะพอสมควรตอนช่วงนี้อยากจะให้ถามปัญหาก่อนถ้ามีข้อสงสัยก่อนที่จ ะ, จะก้าวต่อไปสู่การพูดถึงเรื่อง ของการทํางานทีนี้ทั้งทั้งสติสมาธิปัญญาเลยทีนี้ตอนที่แล้วมาพูดสติกับสมาธิแล้วมาพูดสติกับปัญญาคราวนี้เราจะมาดูสติสมา ธ, มาธิปัญญาพร้อมกันให้มีข้อสงสัยไหมฮ<ม>ะอยากจะให้ทำงานช่วยอธิบายธรรมญาธรรมญาโออย่างงั้นเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะว่ามันจะได้ไม่มาแทรกไอ้กรงโชมี่เนะีย เเดี๋ยวมันจะมาทำให้ให ก, การโยงความสัมพันธ์ในองค์ธรรมพวกที่เกี่ยวข้องตอนนี้มันจะยืดเยื้อไปแล้วก็เลยอาจจะลืมเรื่องเก่าที่จะมาที่จะมาช่วยเป็นฐานในความเข้าใจนเนีตรงินี้นึกถึอประมวลแห่งการประพฤติธรรมจันทร์อธิบายเรื่องมีวิชัดที่ว่าสติเป็นมุขขาเอา่สมาธิ ปัญญาปัญญุตระาปที่ปัญญาปัญญุตระปัญญาเป็นยอดยิ่งอันนี้อันนี้อย่าไปเอาใจใส่ดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของการพูดในระบบกระบวนการทั้งหมดเลยเรากำลังพูดถึงหน้าที่ในความสัมพันธ์กันระหว่างไอ้เจ้าสามพวกนี้อันนั้นจะพูดถึง ความสําคัญของแต่ละอย่างละอย่างละอย่างโดยไม่ได้มาจับให้เห็นความสัมพันธ์ตอนนี้เราต้องการจะมาโยงให้เห็นความสัมพันธ์ในการทํางานกันเลยว่าสติทํางานยังไงในความสัมพันธ์กับสมาธิสติทํางานนั้นสำคัญสัมพันธ์กับปัญญาอย่างไรเวลามาทํางานด้วยการสติทํำยังไงสมาธิทําไงปัญญาทําไงใช่ไหมอ้าวทีนี้ถ้าไม่มีอะไรก็ไปสู่ตอนนี้นิดหน่อยค่าก๊อย้อนกลับไปตัวอย่าง ในการตัดตัด า, าในการตัดเราต้องใช้อขวาน่เราถ้าเกิดจะตัดได้ก็คือขวานต้องคมแต่ถ้าเกิดขวานไม่คมคือตัวปัญญาไม่คมเนี่ยเราจะต้องรับให้คมนีคือหมายความว่าจะต้องพยายามใช้ปัญญาไปอ๋อฮะอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของการรับให้คมก็เป็นอีกคำถามหนึ่งต่างหากใช่ไหม อั น, นกหมายความก็พัฒนาเครื่องมือใช่ก็หาวิธีที่จะทําให้ปัญญานิคมชัดยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะมีวิธีกระบวนการพัฒนาปัญญาก็ต้องอาศัยทั้งพฤติกรรมคือศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็กระบวนการสร้างปัญญาเช่นอยู่นิสมรสิกานการรู้จักคิดพิจารณานะวิธีคิดวิธีสืบสาวหาเหตุปัจจัยวิธีวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เพื <spe c> ่อจะให้ปัญญานี่พัฒนายิ่งขึ้นนะพอเข้าใจนะฮะอาราระวังในกรณีที่าาปัญญาในรูปแบบาการจัการที่จะมันเน้นสมาธิมีกาลังคอปปัญญาเข้าเดิมเนี่ยอจะเรียนถาม่คุณนธีตงยนีพิจารณาว่าอย่างไรอย่างไรจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ากันหรือว่าเป็นเรื่องกตกจ่างอออันนี้ญญคือบางคนนี่นะอันนี้เราพูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล บางคนเนี่ยพัฒนาปัญญาก็ต้องพัฒนาแหละแตถ่ถึงยังไงพัฒนายังไงมันก็ไม่ได้ดีเท่าอีกคนหนึ่งนี่เป็นเรื่องการเปรียบเทียบใช่มแต่ว่ามันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสำหรับตัวเขาแต่เมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วมันจะให้พัฒนาได้อีกอย่างอีกอย่างอีกคนไม่ได้ถูกมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลแต่ว่าสำหรับแต่ละคนนั้นแน่นอนต้องพัฒนาทุกอย่าง เนี้นีลักษณะนคนๆน้นจะต้องหาด้วยตัวเองเาเพราะว่าตัวเองมีอินซิเดนตนที่เหมาะสมในลักษณะนั้นหรือจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองหรือว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยควรจะต้องเน้นสมาธิหรือควรจะเป็นเน้นปัญญาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จะมีอาจารย์จะให้ไนรูคุณอาจารย์จยชี้ช่องแนวทางคือถ้าหากว่าได้กัลยาณมิตรน่ที่ยอดเยี่ยมอย่างพระพุทธเจ้าก็จะมาช่วยบอกให้ ถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องพยายามด้ตนเองแต่ก็ต้องรู้จุดอ่อนว่าการดูตัวเองนี่ยากอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอาศัยกัลยาณนะมิตรไม่ฉะนั้นแล้วพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นก็คงตรัสรู้รมได้โดยก่อนได้พบพระพุทธเจ้าใช่ไหมั้ายความว่าในยุคพุทธกาลนี่ก็มีผู้มีสติปัญญาเยี่ยมเยี่ยมเยอะเหมือนกันนะ แต่ทั้งเยี่ยมอย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ใช่ไหก็ต้องมาพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้านี้จับจุดที่จุดชี้หรือเอาเส้นผมที่บังภูเขานี้ออกไปใช่มแค่ <c oughs> เท่านี้เองหรือเขีบผงในตาออกใช่ไหติดอยู่เท่านั้นแหละไปไม่ได้เนี่ย อนี้ถ้าเส้นผมอันนี้ไม่ออกมันก็ไม่เห็นภูเขาสักทีทั้งที่มันก็เส้นผมเส้นเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าบางทีมาทำหน้าที่ซึ่งก็เหมือนกับเป็นหน้าที่นิดเดียวนะแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็แค่เคลียร์เส้นผมที่มันบางภูเขาออกใช่ไัง น, นั้นบางทีตัวเราเนี่ก็ดูตัวเองไม่ออกก็จับจุดไม่ถูกว่าจะแก้ที่จุดไหนมันจึงจะสําเร็จแต่ว่าถ้าไม่มีกัลยาณมิจฉาจริงๆก็ต้องเปี่ยนพยายามในตอนนี้ ก็ต้องศึกษาพิจารณาตรวจสอบตัวเองใช่ไห ม, มก็อันนั้นก็เป็น<ม>โยนิสสมรติการอย่างหนึ่งด้วยในการที่จะพิจารณาตรวจสอบค้นหาเข้าใจตัวเองให้ชัดเจนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ว่าปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกที่ว่ามันเป็นอัตราสัมพัสกันอยู่นีก็พอเอานะฮะทีนี้ก็ต่อไป ทีนี้ว่าตอนนี้เราพูดให้เห็นว่าปัญญาจะทำงานต้องอาศัยสติทีนี้สติอย่างที่บอกแล้วว่ามันดึงอารมณ์นั้นไว้มันกำหนดมันจับเอาไว้แต่ว่าอารมณ์นั้นมันก็จะคอยผ่านไปอยู่เรนะื่อยมันผ่านเข้ามาแล้วก็จะผ่านไปแล้วก็ดึงมันไว้ทีนี้เมื่อดึงมันไว้เนี่ยถ้ามันอยู่เราก็มองเห็นมันเราก็พิจรารณา แต่ทีนี้มันก็จะมีปัญหาอีกว่าเวลาดึงมันไว้เนี่ยสิ่งนั้นมีความแตกต่างสิ่งที่จะดูสิ่งที่เราจะดูเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนไม่เท่ากันบางอย่างก็หยาบบางอย่างก็ละเอียดนี่สติมันดึงไว้เนี่ยมันก็ดึงไว้เหมือนกับว่าไอ้เจ้านั่นมันก็จะคอยออกไปอยู่เรื่อยไม่เป็นหลักประกันว่า สิ่งที่เรากำลังดูซึ่งสติดึงไว้เนี่ยมันจะนิ่งไหมมันก็จะมีอาการที่ว่าอยู่ก็จริงแต่มันสัน่นมันไหวมันครงมันเคลงอยู่เหมือนกับว่ามีแผ่นผ้าแผ่นหนึ่งเอาละมันจะลอยไปเราไม่ยอมให้ลอยไปเราจะดูมันเราก็เอาเชือกดึงมนันไว้นี่คือสติดึงไว้แล้ว ไอ้เจ้าแผ่นผ้าเนี่ยเป็นอันว่าไม่ไปละไมพ้นสายตาเราเราก็ดูเห็นแผ่นผ้าเนี่ยแต่นี้เราไม่ได้ดูแค่แผ่นผ้าเนี่ยเราจะดูรายละเอียดในผ้ามีตัวหนังสือเขียนไว้มีลวดลายเป็นรูปสัตว์รูปคนเขียนไว้อันนี้เราก็เห็นแต่ว่าเราไม่รู้ชัดตัวหนังสืออะไรอ่านไม่ออกใช่ไหม ไอ้เจ้าสติดึงไว้ให้แล้วแต่มันก็ยังไม่อยู่นิ่งเป็นอันว่าสติทำงานให้แล้วปัญญาก็ใช้ประโยชน์จากสติมองเห็นแต่ยังไม่รู้ลึกซึ้งไม่ละเอียดทำยังไงนะตอนนี้แค่ดึงไว้ไม่พอต้องให้สิ่งนั้นอยู่นิ่งเลยถ้าสิ่งนั้นนี่เป็นลวดลายใหญ่โตเช่นรูปคนตัวเบลมอย่างนี้ นะีตัวหนังสือเบืเริ่มอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องนิ่งสนิทก็เห็นใช่ไหมอ่านออก mm hmm. แต่นี่ถ้าเป็นลวดลายละเอียดยิบเลยตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนี่ถ้าไม่นิ่งจริงอ่านไม่ออกใช่ไหมตอนนี้ต้องการสมาธิเพราะนั้นการที่จะให้สิ่งนั้นอยู่นิ่งสนิทก็เป็นความจําเป็นสําหรับการที่ปัญญา คือตานี่จะมองเห็นจะรู้ชัดเจนในกรณีที่สิ่งนั้นละเอียดลึกซึ้งอันนี้ไปอ่านว่าสําหรับเรื่องทั่ ว, วไปนี่เราไม่ต้องการความละเอียดลึกซึ้งนี่สติพอแล้วใช่ไหมสติดึงไว้ตาก็เห็นแต่ว่าสําหรับสิ่งที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งมากสิ่งนั้นต้องอยู่นิ่งสนิทก็จะต้องสมาธิเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเอาแล้วนะคงจะเข้าใจนะ สมาธิก็เป็นตัวที่ทําให้จิตนิ่งเลยอยู่แนบสนิททีนี้ลวดลายอะไรตัวหนังสือเล็กแค่ไหนก็อ่านได้เนี่ยถ้าว่าตอนนี้เราต้องการไม่แต่เพียงสติเท่นั้นต้องการสมาธิด้วยและยิ่งเรื่องนั้นละเอียดลึกซึ่งก็ยิ่งต้องการนีต้องการสมาธิ ที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้นไปตามระดับหรือแนบสนิทยิ่งขึ้นหรือแนวแน่ยิ่งขึ้นอันนี้ก็สัมพันธ์กับสายตาด้วยใช่ไหมคนตาดีตาดีคมชัดแม้จะไม่นิ่งสนิทนักก็ยังอ่านได้ดีอีกคนหนึ่งตาไม่ดีไม่คมนี่ถ้าไม่นิ่งสนิทเลยอ่านไม่ได้ใช่ไหมก็เอานะความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสติสมาธิและปัญญา อ่ทีนี้ตอนนี้มีอะไรสงสัยัหมว่ากับไปทีละขั้นละขั้นอ่าทีนี้ถ้าไม่มีนะก็เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะเราพูดถึงเรื่ององค์ประกอบฝ่ายด้านจิตที่เป็นตัวทำงานยืนรงนะเป็นตัวยืนรงสามตัวคือมีวิริยะความเพียร น, น่ที่ทำให้ขยับเคยื่นเคลื่อนไหว ให้งานดำเนินไปได้แล้วก็สติเป็นตัวที่จับสิ่งที่ต้องการไว้น่าทำให้จิตทำงานกับสิ่งนั้นได้แล้วก็สมาธินซึ่งเป็นที่รองรับการทำงานนี้อีกทีหนึ่งนสามตัวนี้เป็นหลักยืนและเสร็จแล้วตอนนี้เราข้าก้าวข้ามแดนมาสู่ปัญญาแโดยที่เอาองค์ประกอบฝ่ายจิตคือสติเนี่ย มาโยงกับฝ่ายปัญญาหเห็นว่าฝ่ายจิตทำงานร่วมกับฝ่ายปัญญาอย่างไรนะสติก็ทำงานร่วมกับปัญญาวันนี้เราพูดถึงเรื่องการฝึกฝนพัฒนาคนในฝ่ายด้านจิตเนี่ยการฝึกในเรื่องจิตเนี่ยนะบอกแล้วว่าสมาธิเป็นแกนหรือเป็นตัวแทนเป็นประธาน แล้วบางทีเราเรียกการฝึกในด้านสมาธิด้วยคำศัพท์อีกคำหนึ่งว่าสมาถนะการฝึกด้านจิตให้เกิดสมาธินี่เรียกว่าสมาถะส่วนการฝึกฝนในด้านปัญญาให้เกิดปัญญาจึงมากชัดเจนยังกระทั่งรู้แจ้งสภาวะงสิ่งทั้งหลายให้เข้าใจสังขารตามเป็นจริงให้รู้พระใจลักอะไรเนี่ยเรียกว่าปัญญาจนเห็นโลกและชีวิตตามเป็นจริงนะ จนถึงนิพพานได้เนี่ยปัญญาแบบนี้เราเรียกว่าวิปัสสนานี่ในกระบวนการฝึกในด้านจิตสมถะก็ดีด้านวิปัสสนาด้านปัญญาก็ดีก็แปล เ, เราได้เห็นแล้วว่าสตินี้มีบทบาทสำคัญอย่างไรสติเป็นตัวสำคัญเป็นตัวเริ่มต้นให้ทั้งในฝ่ายสมถะแล้วก็ทั้งในฝ่ายวิปัสสนานะก็ยา้าอีกทีว่าสติ เป็นตัวเริ่มนําเข้าไปสู่สมาธิแล้วก็ในฝ่ายวิปัสสนาก็สติเป็นตัวจับเรื่องที่ต้องการให้ปัญญาพิจารณาหรือส่งงานให้กับปัญญายกตัวอย่างการส่งงานให้ปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะซึ่งเราอาจจะเห็นชัดใช่ปพระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องว่าอาภิกษุรูปหนึ่งไปนั่งในที่สงัด แล้วก็ระลึกถึงคำสอนที่พระอาจารย์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เนี่ตอนนี้ตัวไปอยู่ในท่สงันนะระลึกถึงนี่คือสติแหละระลึกถึงคำสอนสิ่งที่ตัวได้เล่าเรียนไว้สดับจับฟังไว้ระลึกนี่คือดึงเข้ามาแล้วนะดึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วนี่ยดึงให้มาอยู่ต่อนหน้าจิต สติดึงเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเอามาพอระ ล, ลึกมาแล้วก็ใช้ปัญญาเฟ้นแยกแยะไตรตรองพิจารณาสอบสวนน่สืบสาวต่างๆตอนนี้คือถ้าเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นเรื่องของปัญญาคือวิจัยธรรมก็วิจัยเรื่องที่สติดึงเอามาให้นอันนี้ก็ตัวอย่างตัวอย่างการที่ว่าสติส่งงานให้ปัญญาอย่างไร นีสติและลึกถึงคําสอนสิ่งที่ได้เล่าเรียนมานั่นคือยกเรื่องขึ้นมาแล้วพอยกเรื่องขึ้นมาแล้วก็เอา้าวส่งให้ปัญญาพิจรารณานีปัญญาก็พิจารเรื่องที่สติจับส่งให้ก็แปลว่าได้เห็นและความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาทีนี้ปัญญาได้ทํางานอย่างนี้นีตอนนี้เรามีตัวสําคัญนะมี ความเพียรวิริยะแล้วก็มีสมาธิมีสติมีปัญญานี่ในการที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยมันจะมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งในระหว่างก็คือว่าเราเริ่มพัฒนาปัญญาเราเริ่มเกิดความรู้ความเข้าใจแต่การที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจเนี่ย เราจะมีสิ่งที่เราจะศึกษาเราจะพิจรารณาอันนี้ปัญญามันจะพิจารณาเรื่อ ง, งต่างๆที่สติส่งให้มาอยู่เรื่อยแต่ว่าถ้าจะต้องการรู้ให้ชัดเนี่ยบางทีมันต้องต้องจับจุดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะเอาจิงเอาจังนี้ถ้าปัญญามันพิจรารณาเรื่อยไปเรื่องอะไรมาก็ สติก็จับสรงให้พิจารณาไปแล้วก็ ผ, ผ่านไปผ่านไปไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยมันไม่รู้ลึกซึ้งนั้นก็จะต้องหาถางว่ามีการที่ไปจับจุดพิจรารณายัางเอาจริงเอาจังในเรื่องนั้นตอนเนี้ยตอนที่มีตัวเชื่อมให้เราไปจับอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังเอาจริงเอาจังจะเป็นองค์ธรรมอีกข้อหนึ่งเกิดขึ้นมา นะองค์ธรรมที่ทำให้เราพุ่งเข้าหาเรื่องนั้นเลยนะแล้วก็เอาจริงเอาจังพิจารณาแยกแยะอะไรต่างๆให้เต็มที่ตัวที่ทำให้เราพุ่งเข้าหาสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือศรัทธานะนั้นศรัทธาเนี่ยจึงมาสัมพันธ์กับปัญญาเป็นตัวสำคัญในตอนที่ว่าจะพัฒนาปัญญาไปจนถึงสูงสุด ถ้าไม่มีตัวศรัทธาอยู่เนี่ยปัญญานี่จะจัจบจดเรื่องนี้เข้ามากับพิจนาอ่าก็เห็นแค่นี้แล้วผ่านไปพอเรื่องอื่นมากับพิจนาเนี่ยพอรู้รู้เข้าใจก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้ถ้าเกิดเห็นว่าเรื่องนี้เอ๊ะมันมีอะไรน่ารู้เยอะถ้าเราศึกษาต่อพิจนาต่อเราจะเข้าใจความจริงอะไรต่างๆนั้น นึกว่ามีอะไรที่น่ารู้อยู่ในนี้เยอะแยะหมดเลยหรือว่าเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยเกิดความรู้เข้าใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เช่นว่าเอาทั้งชีวิตของเราก็ได้ชีวิตขเขามีความทุกข์มีปัญหาหรือมีข้อติดขัดเราไปเจอเรื่องหนึ่งเข้าว่าโอ้โหถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ชัดแล้วนะเราจะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้หมดเลยเราจะพ้นจากความทุกข์เลยเนะี่ย ก็เราก็จะเกิดศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะเอาจริงเอาจังศึกษาเต็มที่ศรัทธาก็จะผูกเราไว้กับเรื่องนั้นเป็นตัวทำให้เราเนี่ยพุ่งเข้าหาสิ่งนั้นน่และกระจอกเข้าไปในสิ่งนั้นเป็นอันว่ามีศรัทธาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยไปจับยึดเข้ากับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่จะให้ปัญญาพิจารณาอย่างเอาจริงเอาจังนะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอไปฟังธรรมก็ฟังแล้วโอ้พระพุทธเจ้าตรัสนี้เท่าที่เราพิจารณาเห็นที่พระองค์ตรัสมานี่จริงทางนั้นเลยมีเหตุมีผลบางอย่างเราไม่เข้าใจแต่เราเห็นเข้าก็เป็นเหตุเป็นผลน่าจะต้องเป็นจริงอย่างนั้นพอคิดว่าโอ้โหที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่ น่าจะเป็นจริงมีอะไรที่เรายังไม่เข้าใจชัดเนี่ยเราจะต้องรู้จากพระพุทธเจ้าเยอะนะคำสอนพระองค์มีเหตุผลเกิดศรัทธาเลยศรัทธาเชื่อมั่นว่าเนี่ยจากพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะได้รู้เข้าใจอีกเยอะแยะเลยใช่ไหเกิดความเชื่อมัน่นอันนี้เรียกว่าศรัทธาพอศรัทธาแล้วก็เลยตั้งใจฟังอยากจะรู้ยิ่งขึ้นใช่ม อยากจะมาอยู่กับพุทธเจ้าอยากจะมาฟังพระองค์บ่อยๆหรือจะมาอยู่ใกล้ชิดเพื่อจะได้ดได้ยินได้ฟังฮะเนี่ยอาการของจิตที่เกิดภาวะอันเนี้ยที่เกิดความมั่นใจในการที่จะได้ความรู้ได้สิ่งที่จะทําให้ตัวเองได้แก้ปัญหาได้อะไรต่งตางๆเหล่านี้อาการนี้เรียกว่าศรัทธาใช่ไหมฮะอันนั้นศรัทธาจึงเป็นอาการเบื้องต้นที่จะช่วยให้คนเนี้ยไดพัฒนาต่อไปในปัญญา ตอนนี้มันก็เลยมีองค์ธรรมเพิ่มเข้ามาอีกข้อคือศรัทธาเนีเป็นตัวองค์ธรรมเบื้องต้นที่จะช่วยนำไปสู่ปัญญาอันนี้ศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นกระบวนการในธรรมชาติซึ่งจะมาช่วยให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาปัญญาได้หนึ่งมันทำให้ปัญญามีจุดมีเป้าที่ชัดเจนเนะไม่พลาไม่จับจดนะ แล้วก็สองน่ะมันทำให้มีทิศทางที่แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่าศรัทธานี้ทำให้พุ่งเข้าสู่เป้าว่าจะเอาเรื่องนี้นะศึกษาให้เต็มที่ก็มีทิศทางที่ชัดเจนก็ทำให้จำกัดขอบเขตที่ตัวจะได้พัฒนาปัญญ า, าแล้วก็สามก็เกิดกำลัง พอมีศรัทธาก็มีกําลังที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็เบาปัญญาไม่มีศรัทธาช่วยมันก็รู้นิดรู้หน่อยมันก็พอแล้วมันก็ไม่เอาจริงเอาจังพอมีศรัทธานี่มันมั่นใจในสิ่งนั้นว่าจะทําให้เรานี่ได้บรรลุจุดหมายของเราในการแก้ปัญหาเป็นต้นเกิดพลังเอาจริงเอาจังที่นี้ศึกษาค้นคว้าใช่ไหมอย่างคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องนี้นี่ ก็จะตั้งใจศึกษาลเรียนเอาจริงเอาจังหรืออย่างง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงปัญญาเราเห็นแล้วว่าโอ้พระองค์มีปัญญาจะต้องให้ความรู้กับเราได้แน่นอนนี่เรามั่นใจศรัทธาอย่างนี้พระพุทธเจ้าแม้อยู่ไกลแค่ไหนก็เกิดกําลังที่จะไปหาพระองค์ใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นศรัทธาก็มีประโยชน์อย่างนี้ทีนี้ศรัทธา โดยธรรมชาติก็เกิดหนุนปัญญาแต่ว่าเพราะกิเลสของมนุษย์นี่ต่อมามันกลายเป็นว่ามาใช้ศรัทธาในทางที่ขัดขวางปัญญาก็มีก็คือว่าเชื่อพอมาเชื่อแล้วทีนี้ก็ไม่ต้องใช้ปัญญาเชื่อใครก็สุดแต่ผู้นั้นจะบอกนะหรือจะมีการที่สร้างข้อห้ามขึ้นมาบอกว่า อย่าสงสัยนะเป็นบาปเรื่องนี้ห้ามสงสัยห้ามถามให้เชื่อเข้าไว้กันละกันแล้วมอบชีวิตจิตใจให้เลยนี่กลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องว่าปัญญาเนี่ยกลายเป็นเครื่องปิดกั้นบังปัญญาสัทธากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบังปัญญาไปเลยนี่กลายเป็นเรื่องของมนุษย์ที่ว่าเอาศรัทธามาใช้ บางทีก็บีบบันคับคนอื่นนะซึ่งในเรื่องศาสนานี่เราก็จะเห็นได้เพราะศาสนาบางศาสนาก็จะเอาศรัทธาเขาว่าต้องให้เชื่อโดยไม่ต้องใช้ปัญญาฝรั่งเขาเรียกว่าศรัทธาตาบอดนะหรือว่าของเราก็เรียกว่าศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเมื่อไม่ประกอบด้วยปัญญาก็หกักให้ศักแต่ว่าเชื่อไปก็แล้วกันนะจนกระทั่งว่าห้ามถามห้ามสงสัยเป็นบาปไปหมด อย่างนี้ปัญญาก็พัฒนาไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่โดยธรรมชาตินั้นศรัทธาเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุนปัญญาเป็นปัจจัยในกระบวนการพัฒนาปัญญานีอ้าวทีนี้ก็เป็ลว่าศรัทธาก็เข้ามาในกระบวนการพัฒนาที่เราพูดมาทั้งหมดในด้านที่เกี่ยวกับจิตใจและปัญญาซึ่งเป็นเรื่องภายในบุคคลอันนี้ เราพูดไปแล้วว่ามีวิริยะกับสมาธินี่คู่กันแล้วใช่ไหมบอกว่าวิริยะนี่มันเป็นตัวทำให้เกิดกำลังจะก้าวจะคืบหน้าไปเรื่อยนะเมื่อมันจะเดินหน้าเรื่อยไปมันก็ทำให้บุ่มบามร้อนนะแล้วก็อาจจะพลังพลาดก็เลยบอกว่าต้องมีสมาธิสมาธินี่ก็จะทำให้เกิดความสงบ เกิดความมั่นคงแต่ว่าสมาธิอย่างเดียวไม่มีวิริยะมันก็จะหยุดจะนิ่งมันจะสบายมันก็เลยนอนเสพสุขขี้เกียจนั่นก็เราก็บอกไปแล้วว่าต้องให้คู่กันพอดีต้องให้มีวิริยะความเพียรที่จะเดินหน้าแล้วก็มีสมาธิเป็ตัวให้สงบมั่นคงแล้วจะได้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะแล้วก็ได้ผล นววิริยะกับสมาธิก็ต้องคู่กันได้สั์ได้ส่วนก็เป็นคู่หนึ่งทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงปัญญานะแล้วก็เราก็โยงไปหาศรัทธาตอนนี้ก็ได้คู่ละศรัทธากับปัญญาก็เป็นอีกคู่หนึ่งว่าปัญญาอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าไม่มีศรัทธามาช่วยทำให้เกิดทิศทางและจุดเป้าหมายที่ชัดเจนลงไปปัญญานั้นก็จะจับจด ไอ้เรื่องนี้ก็รู้เรื่องนั้นก็รู้ไม่เอาจริงสักเรื่องไปเรื่อยไปพอมีศรัทธาปับ๊บศรัทธามันจับเจาะพุ่งเป้าไปเลยพอมันพุ่งเป้าไปนี้ปัญญาก็มาอยู่กับเรื่องนี้เต็มที่ใช่ไหมมันก็จะเกิดความรู้ชัดเจาะลึกในเรื่องนั้นได้ผลดีละเอียดลงไปเลยที่ น, นั้นก็เลยต้องอาศัยว่าต้องให้มีคู่กันศรัทธาปัญญานี้ถ้าเกิดเป็นศรัทธาแบบเชื่อ แล้วม่ใช้ปัญญาก็งมงายใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ากลายเป็นศรัทธาที่ปิดกั้นปัญญาก็เลยคู่นี้ก็ต้องมีความสัมพันธ์กันพอดีเรียกว่ามีดุญยภาพนะพอเหมาะพสมกันศรัทนธะาช่วยให้ปัญญาไม่จับจดและเจาะลึกลงไปเฉพาะมีกำลังเอาจริงเอาจังพร้อมกันที่ว่าปัญญาก็ทำให้ศรัทธานี้ไม่งมงาย แล้วไม่ตันไปเสียนถ้าไม่มีปัญญามาสัทธาตันเลยอยู่นั่นเองไม่ต้องไปไหนใช่ไหมก็ไปอ่านว่าได้สองคู่สองคู่นี่สำคัญแล้วก็มีสติมาเจ้าสตินี่คอยกําหนดคอยจับคอยดูอะไรเกิดขึ้นเป็นไปนี้เจ้าสติดูหมดคือคอยคอยกาหนดอยู่คอยที่บอกว่าเหมือนกันนประตูคอยตรวจคอยดู นะไม่ให้ผ่านรอยไปเสียนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปมันจะมีผลเสียผลดีเนี่ยไอ้เจ้าสติเนี่เป็นตัวคอยระวังไวนะ้คอยดูไว้คอยกำหนดไว้กำหนดไว้มันก็ทำให้ปัญญาได้ทำงานไปด้วยการปัญญาก็ตรวจ ด, ดูพอไอ้สติจับไว้ให้ปัญญาก็ดูนะพิจารณาแล้วถ้ามันจะเกิดผลเสียมันก็แก้ไขได้ทันถ้ามันจะเกิดผลดีก็จะได้ช่วยโอกาสใช้ประโยชน์ซะใช่ อันั้นสติมันก็จะมาเป็นตัวคอยคุมหมดเลยนีว่าเออตอนนี้ศรัทธามาทํางานนี้ไอ้เจ้าสติมันก็ทันหมดนะมันเคลื่อนไหวทํางานยังไงปัญญาทํางานไงสติก็ทันหมดทีนี้เมื่อมันทันมันคอยกําหนดอยู่เนีไอ้เจ้าปัญญาก็พิจารณาด้วยว่าไอ้นี่มันเกินพอดีหรือเปล่าไอ้นั้นมันน้อยไปหรือเปล่าใช่ไหม ทีนี้ถ้าศรัทธามันเกินไปปัญญาอ่อนไปก็มาปรับศัทปัญญาให้มันเพิ่มขึ้นจะได้มาพอเหมาะกับศรัทธาเนี่ยศรัทธาแรงไปแล้วลดซะหน่อยเนี่ยปัญญาถ้าชักแรงไปแล้วศรัทธาน้อยไปเอาเพิ่มศรัทธาอะไรย่างงี้เนีก็เป็นอันว่าสตินี่ก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยคุมแล้วก็วิริยะความเพียรกับสมาธิก็เช่นเดียวกันไอ้เจ้านี่ก็ช่วยคอยระวังไว้ อัน น, นสติก็ทําหน้าที่เกี่ยวข้องหมดเลยคุมหมดคุมหมดทุกอันตอนนี้ครบหนี้ท่านเรียกว่าอินทรีห้าอันนี้เป็นความรู้พิเศษหน่อยเลยตั้งขึ้นมาเป็นหมวดทำอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าอินรีห้านะอินทรีห้าก็ประกอบด้วย5อย่างที่ว่ามาแล้วก็จัดเป็นสองคู่ก็ได้สแล้วก็มีสติเป็นตัวคุมใช่ไหมก็อินรีห้า แต่และอย่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองนีแต่ว่าทําหน้าที่นั้นจะต้องมาประสานกันมันจึงจะได้ผลดีศรัทธาก็ทําหน้าที่ในการที่จะทําให้มีการพุ่งสู่เป้าหมายแล้วมีพลังนีเอาจริงเอาจังเนีเสร็จแล้วปัญญาก็ทําหน้าที่รู้เข้าใจเนีเสร็จแล้วใครพุ่งเป้าไปเฉยเฉยไม่มีปัญญาไม่มีประโยชน์เนะี่ แลปัญญาก็ไปพอมันไปพุ่งเป้าปัญญาก็รู้ตามที่พุ่งไปรู้ในสิ่งที่เอาเป็นเป้าหมายนั้นก็เกิดความรู้ชัดเจนอันนี้ก็สติไอ้อ้อวิริยะกับสมาธิก็เช่นเดียวกันนะวิริยะก็ทำหน้าที่พาเดินหน้าไปเรื่อยเจ้าสมาธิก็ทำให้มั่นคงแน่วแน่นะสงบนะก็เลย ช่วยกันก็เดินหน้าไปอย่างมั่นคงสงบนะแต่ละอย่างก็ทำหน้าที่ของตัวตัวสติก็คอยคุมไว้หมดอันนี้การที่แต่ละอย่างทำหน้าที่ของตัวเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นอินทรีย์แต่ละอย่างละอย่างนะศรัทธา ก, ก็เป็นอินทรีย์อย่างหนึ่งทำหน้าที่นี่ที่จะทำให้เกิดพลังพุ่งเป้าหมายไปสู่ทิศทางที่ต้องการเจาะลึกลงไปแล้วก็ปัญญาก็ทำหน้าที่รู้เข้าใจวิริยะก็ทาหน้าที่เดินไปข้างหน้า สมาธิก็ทำให้สงบแน่แนสติก็ทําหน้าที่คุ ม, มนะตรวจดูไปแล้วถ้าเจ้าทั้งหมดนี้เข้าชุดกันได้ดีก็จะเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าไปสู่จุดหมายได้สําเร็จนะนี่เพราะเหตุที่มันทํางานเข้าชุดกันแล้วมันเป็นสองคู่ที่จะต้องมีดุลยภาพพอเหมาะพอดีเนี่ยก็เลยเท่านเรียกว่า เป็นธรรมะชุดพิเศษที่มีลักษณะที่ท่านเรียกว่าการปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันลักษณะธรรมชุดนี้ก็คือต้องให้มีความพอดีหรือความสม่ำเสมอซึ่งก็หมายถึงความสม่ำเสมอระหว่างธรรมะที่เป็นคู่กันสองชุดได้แก่ศรัทธากับปัญญาหนึ่งคู่ว่าต้องปรับให้พอดีกันให้พอดีที่จะได้ผลและก็วิริยะกับสมาธิก็อีกคู่หนึ่งก็ต้องปรับให้พอดีที่จะได้ผล แล้วก็มีสติเป็นตัวคุมนะก็ตอนนี้ก็เป็นอันว่าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจิตกับปัญญานะแล้วก็องค์ธรรมที่เป็นรายละเอียดในในที่นั้นจนกระทั่งจากเรื่องของฝ่ายจิตสามมาสัมพันธ์กับปัญญาแล้วก็มาเป็นธรรมะหมดหนึ่งที่เรียวกว่าอินรีหะนะ ซึ่งมีความสําคัญมากในการปฏิบัติธรรมก็พอหเห็นรูปเขาแล้วทีนี้ใครมีอะไรสงสัยก็ถามขึ้นมาตอนนี้หมดทั้งหมดนี่เล็กอย่างาพระภะให้ในความหมายพร ะ, ะให้ในความหมายอย่างพร ะ, ะหมายความเป็นพลังที่จะที่จะไม่ให้ศัตรูเข้ามาครอบงําตัวเองได้นเ น, ะะ น, น, นีเป็นพระภะกำลังเหมือนกับภูมิต้านทานเป็นพระะเป็นภูมิต้านทาน ที่จะส่งตัวไว้ได้ไมาให้ฝ่ายอื่นเข้ามาครอบงำถ้าเป็นอินซีนี่คือฝ่ายรุกบุกเดินหน้านะก็แปลว่าพละเป็นฝ่ายภูมิต้านทานป้องกันตัวนะถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นฝ่ายดีเฟนซีฟนะถ้าเป็นพละไอินซีห้านี่ฝ่ายรุกก็เป็นอ f ฟ e n น i v e แหละนะเดินหน้าไป มีอะไรสงสัยฮะคกจะถามว่าราจะตรวจสอบอารมว่าในขณะนั้นเราตั้งในอารมณ์หุ่สุนาอ่ารในการตรวจสอบอารม่าอยู่ในอารมณ์ิปัสฉนาอย่างไรเนี่ยคือว่าเราเกินปัจฉนาระยะนึ่เราอยากจดูว่าอารมณ์ของเราเนี่ยไปขั้นหนึ่งขสองออ ขั้นหขั้นที่สองในที่นี้หมายถึงวิปั ส, สนาญาณใช่ไหมอ๋อตรงวิปั ส, สนาญาณก็ต้องดูวิปั ส, สนาญาณ น, นั้นนี่เป็นวิปั ส, สนาญาณขั้นกําหนดรู้รูปนามแยกว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามนี่อย่างนี้ก็ก็ดูตรวจดูความเข้าใจนี่ว่าเช่นว่า อ, าอ้าวเช่นใบตาตามองเห็นใช่ไหมนี่ ก็จะแยกได้ว่าอานี่อายตนะอินทรีย์ตาจากขปาสสั์เป็นรูปใช่แล้วก็รูปารมณ์สิ่งที่ตาเห็นก็เป็นรูปประธรรมแล้วก็จากขวิญญาณการเห็นนี้เป็นนามใช่ไมการแยกอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าเป็น นามรูปะปริเฉทยานคือแยกรูปนามออกจากกันได้อย่างนี้เน่ไหนทำอะไรอ่าที่ว่าการธรรมที่เร่อใช้กันมาก่อนคือว่าเราจะนั่งสมเราจะตั้งจะารีฐานขอธรรมะเรื่อสูงเกิดขึ้นแกเรา อ๋ออันนั้นเันใชยเรื่องยานแล้วน่ไม่เกี่ยวแล้วแต่ถ้าเราชีด อ, อยู่ในโลกห่วงทรัพย์สินเงินทองห่วกลูกเต้าใช่ไหมอันนี้ทั้งาที่มีศรัทธาแต่ไอตัวห่วงกังวลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะตามมารบกวนจิตใจเนี่ยแล้วก็ความมั่นใจเรียวแรงในการปฏิบัติก็ไม่เต็มที่นี่ก็เลยมีวิธีการว่าเอา้ามาก่าวคามอบกายถวายชีวิตกัอาจารย์ไปอันว่า มาถึงตอนนี้จะเข้าปฏิบัติครั้งนี้แล้วตั้งจิตเด็ดเดียวปฏิบัติเต็มที่ไม่เอาอะไรทั้งนั้นยอมมอบกายถวายชีวิตแล้วใ น, นเรื่องที่กังวลเรื่องครอบครัวเรื่องเงินทองนะจะพอใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไม่ไปหารล้ยึดทางบ้านจะอยู่กันยังไงหรือเกิดมีอะไรเไอ้เรื่องนี้ตัดไปเลยใช่ไหมเมื่อจิตไม่มีไอ้เรื่องความกังวลความคิดรุงแต่งที่จะตามมาลกูลไม่มีมันก็ ปฏิบัติไปได้ผลมันทําให้น้อมจิตไปสู่สมาธิได้ง่ายใช่ไหมนี่การอธิษฐานจิตอะไรต่างๆ่เหล่านี้ก็เป็นร่ว ง, งเพราะรูปแบเนี้ยเพราะการอธิษฐานก็คือการทําให้จิตตั้งมั่นเด็ดเดียวเพื่อจะได้เป็นฐานทําให้จิตโน้มไปสู่สมาธิได้ง่ายนั่นเองนะไม่ใช่ตัวการปฏิบัติไม่ใช่ยานไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะก็เป็นเรื่องศรัทธาเป็นเรื่องของ การทำให้จิตนี่แนวยิ่งขึ้นมันเป็นตัวกำลังแรงเสริมความเพียรไงนนะความเพียรก็ได้รับกำลังหนุนให้ความเพียรมีกำลังหนุนนี่นะมันก็เป็นตัวพลังอยู่ในตัววิริยะมันเป็นพละเป็นกาลังอยู่ในตัวนะี่สิ่งที่คนใจที่ไม่เด็ดเด่ยเนานี่คือตางสับปริปรโพธิ์ปริโพธ์อ่าปริโพธ์ต่าง วันนี้พดก็แปลว่าสิ่งที่ขัดขวางแต่เราก็แปลกันว่าห่วงกังวลก็จะรู้เป็นกางครับผมจะลองเปรียบเทียวว่าจริงจแล้วศรัทธานี่จะทําหน้าที่คล้ายคกับสมาธิแต่ว่าสมาธิเป็นเรื่องของทางจิตนะครับศรทานี้จะเป็นเรื่องของทางปัญญานี่จะถูกต้องไหมถ้ดูคุณสมบัติเลยียบเียบแล้อ๋อศรัทธานี้เป็นองค์ทมในกระบวนการพัฒนาปัญญาแต่ตัวมันเองก็อยู่ฝ่าย จ, จิตเป็นอาการของจิตไง อาการของจิตแบบนี้ก็ เ, เหมือนอย่างสติก็เป็นคุณสมบัติฝ่ายจิตเป็นองค์ธรรมฝ่ายจิตแต่เป็นตัวเชื่อมกับปัญญาใช่ไหมศรัทธานี่มันก็เป็นอาการของฝ่ายจิตแต่ว่ามันเป็นตัวที่ไปเชื่อมกับปัญญาไปทำงานหนุนปัญญาเนเพราะว่ามันเป็นอาการของความทราบซึ้งเป็นอาการของความเชื่อเป็นการที่จิตเนี่ยไปโยงไป ไปคล้ายๆว่ามองในแง่หนึ่งศรัทธาทําให้ไปขึ้นต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไปเหมือนกับไปหวังจากสิ่งนั้นใช่ไหมเช่นหวังจากบุคคล น, นี้หวังจากเรื่องนี้ที่เราศึกษาว่าเราจะได้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจ <c oughs> เกิดความมั่นใจในสิ่งนั้นนะเช่นว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศใช่ไหม ฟังปั๊บเนี่ยปัญญามันเกิดการพิจารณาได้รู้เข้าใจขึ้นมาได้เห็นความจริงที่พระเจ้าสอนตัวเท่าที่เราได้มีปัญญาจะพิจารณาได้สิ่งที่พระเจ้าสอนเป็นความจริงทางนั้นเลยโอ้อย่างนี้ถ้าเราอยู่กับพระองค์หรือฟังพระองค์ตอบไปเนี่ยเราจะได้ความรู้อีกเยอะแยะใช่เกิดความเชื่อมัน่นต่อพระพุทธเจ้าเลย นี่คืออากาศที่เรียกว่าศรัทธาเชื่อต่อพระพุทธเจ้าก็ทำให้จิตของเราไปขึ้นต่อพระพุทธเจ้าเลยพราะนั้นศรัทธานี้ในแง่หนึ่งนี่ทำให้ขึ้นต่อสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงไม่เป็นอิสระแต่ว่ามันช่วยให้เราก้าวไปสู่อิสรภาพเพราะเมื่อใดเราเกิดความรู้แจ้งขึ้นมาเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้ เราก็เป็นอิสระรู้ได้ตนเองใช่ไหมแต่ว่าตอนที่ยังมีศรัทธาก็คือตอนที่ยังขึ้นต่อเขาหรือขึ้นต่อเรื่องราวขึ้นต่อสิ่งนั้นแหละที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อจะให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นศรัทธาจะมีลักษณะพึ่งพาพึ่งพาหรือขึ้นต่อแล้วก็จับเอาจิตของเราตัวเราเนี่ยไปโยงเข้ากับสิ่งนั้นไว้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เราอยู่แค่ขั้นศรัทธา เป็นเพียงมาอาศัยศรัทธาเป็นบันไดก้าวไปสู่ปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วในที่สุดก็จะเป็นอิสระใช่ไหมเกิดอิสระภาพก็หลุดพ้นไม่ต้องพึ่งพาไม่ต้องขึ้นแต่สิ่งนั้นใช่ไหมฮะจะพูดโดยสรุปก็คือขั้นที่ปัญญาถึงขั้นอิระสูงสุดก็หมายความว่าปัญญาเขไม่ศรัทธาก็ไม่มีแล้วใช่ไหมศรัทธา ก, ก็เป็นอันว่าศรัทธา ก, ก็ไม่ต้องทําหน้าที่แล้ว ศรัทธาไม่ต้องทาหน้าที่เพราะทำทำไมล่ะเพามันรู้ได้ตนเองเหมือนอย่างนั้นแล้วใช่ไหมก็ยกตัวอย่างอุปมาให้เห็นอีกอันก็ได้จะได้เห็นว่าศรัทธากับปัญญาต่างกันอย่างไรเนี่ยมีพระอาจาร์ลังกาองค์หนึ่งท่านวันโปละราหุระเนี่ยท่านยกอุปมาในดีแปลว่าสมมติว่าผมเนี่ยนั่งอยู่แล้วผมอยู่ๆผมก็กํามือนี่ปั๊บขึ้นมาเนี ปรกำ ม, มือนี่แล้วผมก็บอกว่าในมือผมเนี่ยมีดอกกุหลาบดอกหนึ่งนะบกล ร, รมเอาไว้แล้วนะทีนี้นั่งกันอยู่ในที่นี้หลายท่านอันนี้ผมกล ร, รมัาท่านก็ไม่เห็นสักองหนึ่งเพราะว่ามือนี่มันบังอยู่เอแต่ผมบอกว่ามีดอกกุหลาบอยู่ในนี้ท่านก็มองไม่เห็นแต่มันจะมีหรือไม่มี ตอนนี้เรายังไม่รู้นะนี่ยังไม่รู้ก็คือปัญญายังไม่มีทีนี้มันก็เป็นปัญหาว่าเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นไม่ยังไม่ประ จ, จักษ์ก็อยู่เชื่อไม่เชื่อนะเชื่อว่าในมือผมได้่มีดอกกุหลาบไหมอาแล้วตอนนี้เป็นปัญหาเรื่องเชื่อก็คือศรัทธาทีนี้บางท่านก็เชื่อง่ายใช่ไหม อ๋อองนี้ไม่ต้องห่วงอล้พูดอะไรก็เชื่อได้ใช่ไหมก็ไม่ต้องใช้ความคิดมาเชื่อง่ายก็อ๋อถ้าองค์นี้พูดแล้วก็เป็นจริงอันนั้นก็เชื่อเลยใช่ไหม น, นี่เชื่อแหละเชื่อว่ามีดอกไม้มีดอกกุหลาบนอีกองคหนึ่งไม่ได้ต้องพิจนารณาก่อนนี่มันเป็นไปได้มั้ยมือเท่านี้นี่กําดอกกุหลาบได้ไหมนย เออมันได้นะกมได้ขนาดนี้ดอกกุหลาบมันมีหลายขนาดเล็กๆ ก, ก็มีกรำได้อ่านะองนี้เชื่อแหละแต่องค์อย่างอย่างแค่นี้ยังไม่พอเนะี่ยองเชื่อยากกว่าต้องพิจารณามากนี่ท่านอยู่แถวๆนี้ตอนท่านเดินมามันมีเป็นไปได้ไหมท่านเดินผ่านในที่จะมีดอกกุหลาบนะยิบมาแล้วก็สืบดูพฤติกรรมของท่านนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะความเป็นไปได้ต่างๆแล้วก็สรุป แต่จะยังไงก็ตามทุกท่านเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของเชื่อไม่เชื่อทางนั้นไงก็คืออยู่ในคันศรัทธาหมดเลยใช่ไหมก็เป็นแต่ว่าศรัทธานั้นจะศรัทธาแบบตาบอดงมงายสักแต่ว่าเชื่อไม่ได้คิดเลยหรือศรัทธาแบบมีปัญญาพิจารณาก่อนเชื่อแล้วปัญญาที่พิจารณาก่อนศรัทธานี้ก็จะต้องไม่เท่ากันใช่ไหมศรัทธามีปัญญามากน้อยประกอบกันตอนนี้แต่ว่ารวมแล้วก็ยังอยู่ในเรื่องศรัทธาคือเชื่อหรือไม่เชื่อ จนกระทั่งผมแบมือปั๊บอย่างนี้นพอแบมือแล้วท่านเห็นได้ตนเองมีไม่มีก็รู้เลยตอนนี้คือปัญญาคือรู้เห็นประจักษ์ตอนนี้เลิกพูดเรื่องเชื่อไม่เชื่อถูกไหมพราะฉะนั้นตอนที่เรายังไม่มีสัตไม่มีปัญญายังไม่รู้ไม่เห็นประจักษ์เนี่ยเรายังต้องอาศัยศรัทธาแต่เมื่อปัญญารู้เห็นแจ่มแจ้งแล้วก็หมดหน้าที่ของศรัทธาใช่ม ก็ไม่ต้องใช้ศรัทธาต่อไปอันนี้พูดถึงชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นปุตตชนยังประกอบด้วยอวิชชาใช่ยังไม่รู้แจ้งโลกและชีวิตตามเป็นจริงนั้นเรื่องศรัทธาก็จะต้องเป็นเรื่องใหญ่ว่าที่จะทำให้เราเนี่ยได้มาศึกษาเล่าเรียนอะไรต่างๆระเนี้ยต้องอาศัยศรัทธาทางนั้ น, เ, นเพื่อจะนำไปสู่ปัญญาต่อไป ถ้าท่านมีศรัทธามากท่านก็ศึกษาเอาจริงเอาจังมามีพลังในการศึกษาและเจาะจุดพุ่งเป้าแต่ท่านท่านไม่มีศรัทธาท่านกับพระใช่ไหมและไม่มีกำลังเรื่องศรัทธาปัญญานี่ผมจะขอโอกาสจะ่อไปในเรื่องของภาสาบริบทนะครถ้าเราจะสรุปจากกรมีของภาษาบริบทก็เป็เพราะว่า พระองค์ภาษาีุเนี่ยมีปัญญามากเนี่ยก็เลยทาให้ท่านบรรลุได้ช้ากวม้กรทั่งเพื่อนหรือรทะ่ะโมคคัลลา น, นะพอันนี้จะเป็นการสรุกต้องก็คิดมากไงนะพูงง่ายๆคิดมากแ่ว่าถ้าคิดมากมันก็ทำให้ศรัทธานี่มันไม่แรงเท่านั้นการพุ่งเป้าก็เลยชักจะมันยังไปห่วงอันนูนอยู่เอ๊คือแทนที่จะมาพุ่งเป้าอันนี้เต็มที่ม ยังไปห่วงเรื่องนูง้นเรื่องนี้ต้องไปขอคิดเรื่องนั้นหน่อยคิดเรื่องนี้หน่อยมันก็ไปเสียเวลากลา้เรื่องปลีกย่อยที่จะต้องคิดอีกเยอะนะหรือว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยที่พุ่งเป้าไปแล้วนะไปเจอแง่มุมอะไรเนี่ยพวกมีปัญญามันจะไปคิดใช่ไหมไปจับจุดไปแยกแยะไปวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านั้นโดยไม่จําเป็นเลยนี่พวกศรัทธาแรงแต่ปัญญาพอประมาณมันพอดีพอดีมันก็ไปดิ่งไปเลยนะ กัญญาก็มีโทษของปัญญาอยู่ยอ๋อก็แล้วแต่จะคิดที่จริงมันก็เป็นกุศลเป็นความดีเพราะามันเหมือนแสงสว่างแต่ว่าก็อยู่ที่การใช้ใช่ไหมเพราะตัวเองนี่เมื่อมันมีความไม่สมบูรณ์ตัวเองอินทรีย์การใช้สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่พอใช่ไหมมันก็เลยทําให้เกิดความขัดตกบกพร่องแต่าบางครั้งไอ้การที่ช้าเหล่านี้แหละมันกลับกลายเป็นความรอบคอบถูกไหมกลายเป็นความละเอียด มอนอย่างภาษารีบุตรเนี่ยอ้าวท่านไปเชื่อจับจุดอะไรต่างๆปลีกย่อยแยกแยกไปดูให้มันชัดให้หมดมันก็ไปเสียเวลากับความชัดเจนในเรื่องปลีกย่อยเยอะแยะแต่ว่ามันกลายเป็นความละเอียดลึกซึ้งและทั่วถึงทีนี้พอท่านตรัสรู้นี่ในการใช้งานในเวลาไปทำงานเผยแพร่ สั่งสอนนี่มันสามารถที่จะแจกแจงแยกแยะออกไปและอย่าทิ้งเลยก็กลับไปผลิตใช่ ม, มเป็นคนดีในเพื่อในในขั้นสุดท้ายเอ่อในในขั้นที่เอาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นในการสั่ง